มันเ็ะชมนานแล้วแต่วันหกเป็นอ้วกเป็นหัวใจเป็นมันหนาเลยต่างคนต่างอยู่การประชุมงานเนก็เลยงด็กตางมันต้องควรการีนการประชุมสื่อประโยชน์ที่ไรับก็มีเหมือนกัน แต่ส่วนสำคัญการกระทำของตัวเองเป็นหนึ่งสำคัญฟังไปแล้วถ้าหากไม่ไปปฏิบัติแต่ทำมมเพนมันก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ความจดจำสัญญาภายนอกมันตรงนี้อะไรดีขึ้นาาความจดจำเป็นอัดเป็นคำที่จะขดถ อ, ดอนกิเลส ผมนักเรียนนักศึกษาโดยส่วนใหญ่คงจะหมดวิเลียภายในใจเพราะศึกษามาแข่งขันจนจนถึงที่สุดสำหรับตำลาเนศึกษาอะไรเรื่องจิตใจจะให้มันหมดเรื่องความทุกข์ถึงความสุขมันตอ่อเสียมันคงไม่เจนไปได้อะไร ท, ที่ใส่อควรจิตใจโลโกกดหลงกยังคงจี่ ดีงามอยู่ไม่เห็นอะไรโตร อ, อกใปนอกจากการปฏริบัติการปฏิบัติรปรปปต เ, ปเป็นเก้นเส้นทางสำคัญที่จะตรงไปสู่ความสุขของจิตของใจฉะนั้นพวกเราทุกคนที่มุ่งมั่นมาปฏิบัติปฏิบัติอัดรมเวลาเรามาพักครอนในสถานที่เงียบสงบ ก็คือที่นี่ที่จะได้นาปฏิบัติเอาใจใส่จะทำบำเพ็ญจริงจังไม่อย่างนั้นก็จะเสียวันเสียเวลาเสียขารถนึก อ, อะไรต่ออะไรสีสัจห า, าเราไมต่งางนาต่างตาทำจริงวันเวลาก็เสียไปชีวิตก็หมดไปอะไรที่จะเกิดขึ้น เป็นเครื่องจีบจีบทันจิตทันใจพยายามทำสุขความเจริญไม่มีจนจีบสุดก็จะไปกาวตูดูถูกตัวเองอหมดบุญหมดวัสนาใม่มีสติปัญญาว่าจะรับธรรมะของผู้ได้เจ้าด่าโดยเฉพาะในตัณหาสัางต า, ง ต, าตัวที่ปฏิบัตริรักษาจิตใจกายวายจาของตัวถ้าหากต่างคน มุ่งมั่นที่จะเรีนมาอาจทำสาหรับจะเป็นเส่องปัดเป่าวิเลยตันหาจิตใจี่โวกวนวุ่นวายต่อโลกแล้วจิตใจติน้าวันมันจะสงบ้ะงับมีความสุขความสบายพอสมควรเวลา เรามาพักผ่อนใจเป็นเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องกายพักผ่อนถึงเรื่องใจวใจปกติไม่มีเวลาพักผ่อนนอจกจากหลักตื่นมาก็คิดตึงการสัญญาอารมณ์ไม่มีเวลาได้รับการพักผ่อนปิดใจจึงค่อยอ่อนแอในเกินแข็งพิจารณาอาจทำอะไรก็ไม่แจ้งแจ้งชัดเจนให้ ก็เลยเกิดสงสัยในเรื่องบุญวาสนาของตัวใต่จิตใจได้ทักสอนจิตใจได้สงบแล้วนับจากความปุ่งปุ่งต่างๆโดยการเอาสติบังคับปัญญาและสอนให้จิตสุ่งปุ่งไปตามอำเภอใจของมันอาจทำอันใดสีพระพุทธเจ้า เคยผม เ, เคยปฏิบัติมาเราจะนําอัตธรรมอันนั้นมาที่เจริญนาสําหรับแก่จิตใจของตัวผูกจิตใจของตัวให้อยู่ในคิดใจว่าพระพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้ในเดียอยู่สถานที่อื่นอยู่ในกายในจิตของเราเองธรรมะถู้ทรงไว้จึงความรู้ก็เหมือนกันในใจจะไปอยู่ตาม ตำรับตำลา ห, หรือตามคำสีสังฆผูกพุธปฏิบัติดีตรงหรือเป็นธรรมก็ไม่ใช่จะอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราทุกคนมดเป็นเช่นนั้นจึงในความทรงจิตจิตดุงไปสังหน่อบีิณีพิเจนาพุทธะคือผูรู้รู้อะไรเดียวนี้ผู้ดวงดีหรือชั่วจิตเล็กผูกความรู้ที่เรารู้อยู่เป็นเรื่องแก้ไขตลาละ จิตใจออกจากที่เหลวเลือเป็นเรื่องสะสมเรื่องความทุกข์ร้อนต่างๆนะครับผมตัวเองธรรมะทรงไวทรงอะไรหรือทรงแต่รรเกิดแก่เจ็บตายเท่หนี้หรือมีคุณงามความดีอะไรตายในตายในใจของเราผลคิดคิดเจรนาสังค่ะปฏิบัติถูกต้องดีงามหรือไม่ มีอะไรเป็นทางเสียหายตรวจตาพิจรารณากายวายจใจของตัวอย่างในใจิตส่งๆูงคิดแต่ออกทางนอกเวลาเรากำหนดบังคับัญบช า, าจิตของเราให้พิจรารณาอัจธรรมของกุศลเจ้าแต่พิจรารณาเหื่องของกายก็ให้แยบคายลงไปจนจิตใจยอมจำนนเห็นตามเป็นจริง กายนี้เป็นแต่เรื่องสมมติมันมีอะไรเป็นตายเขาเราไม่มีทุกสิ่งทุกส่วนที่เราสมมติเขาเองก็ไม่รู้สึกแต่าเขาถูกสมมติอะไรก็จะเป็นไปตามนาจี่ของเ ข, ขาเราพิจารณาแยบคายเป็นจิตใจเป็นตามเป็นจริงแล้วเรื่องของตายที่มีอยู่ สมสมติมีอย่างไรฝึปกปลูกไปตามเขาใจใจของเราไมา่ยึดถือปล่อยวางดูเห็นตามเป็นจริงใ จ, ใจิตใจดูเ่าเรื่องของกายมีความสบายเบาไม่มีการหลุมหลงเกิดเคือแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรดูเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นที่เขจะได่าสันปู ไว้หรือตัดไว้อย่าถามปู่ตังยานะครับนั่งคือให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันอย่าไป เ, เสกสรรปัญญาว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้เกี่ยนะเรื่องของกายกายก็เป็นกองของธรรมอันหนึ่งถึงจะได้เจ้าสาวว่าเป็นหลกมแธรรม ส่วนนามธรรมาคือเวทนาฝุกทุกทกเฉยๆรั้นยาการจำได้ไหมารู้ต่างๆทังฐานความกรุงคิดยิน ญ, ญาณความรู้จาตาหูไปกระทบสิ่งภายนอกเรียกว่า น, นามธรรมาทั้งรู้ประธรรมนามธรรมาก็ไม่มีอยู่ที่อื่น มีอยู่กี่ตัวของเราทุกคนเหตุนั้นจึงไม่ควรไปคิดตึงอย่างอื่นคิดที่นี้พิจรารณาอยู่นี้เพรดีชั่วทุกทุกไม่ได้อยู่สถานที่อื่นอยู่กับตัวของเราเราทุกคนเดียวโลกเขาจะมีความเกิดเกินสนุกสนานขนาดไหตนตรให้มีอะไรที่จะทําให้เรามีความสุข ด, ดัง แล้วสุขคนเดียวโลกเขาจะทุกข์อยู่ร้อนทั่วไปก็เหมือนกันเป็นเหลือของโลกตัวของเราก็ถูกอยู่จึ ง, วอองจควรอบรมเรื่องของใจจะมีความสุขใจจะมีความสุขความสงบก็กพออาศัยธรรมะที่นี้ที่เจริญนาถูกมัดเอาไว้ในหายใจปรุงปรุงคิดไปทางเหนือห้เห็นโทษการปรุงปรุงคิดไป จะเคยคิดนึกติดตามไมเดือดหายหนอกนานความสงบสงบความสว่างสวัยความละถอนกิเลสภายในไม่เคยเกิดขึ้นเราจะฝืนคิดนึกติดตามอย่างนั้นเรื่อยไปก็ไม่มีวันเวลาที่จะได้รับการสว่างสวัยความสงบหยุดเย็นทางใจห้ามกัรหย่อนจิตใจของตัว เอาไว้จิตใจเมื่อห้ามกัน้นมีสติรักษานีปัญญาแนสอนอยู่จิตใจจะไม่ออกไปข้างนอกแต่พิจารณาเรื่องอัตธรรมหรือจะบริกรรมก็ผูกมัในคำบริกรรมของตัวจิตจะลงรวมในรัความสงบสบายความสงบสบายของจิต เกิดจากการอบรมอักธรรมโดยส่วนใหญ่ไม่่อยมีใครจะเห็นกันเห็นนั้นก็ไม่เคยแสวงหาก็ไม่เคยจะทำกันเขาเห็นความสุขอยเรื่องนอกตาได้ดูหูได้ฟังสิ่งที่ชอบกับจริตเนี้ยใส่จะถอว่าอันนั้นเป็นความสุขของใจแต่ความสุขส่วนนั้นความสุข้วยความหลงอย่าเห็นความสุขอันจริงจัง ความสุขจริงจังเกิดจากการปฏิบัติอัตธรมเรายังไม่เคยดื่มรหแต่มันมีความสุขผิดแปลกแตกต่างจากการได้ดูได้ฟังอย่างไรถ้าเราเห็นเรารู้เรได้ดูดื่มรหความสุขจากความสงบสงัดในการปฏิบัติอัตธรรมเราจะไม่ตื่นเต้นจะไม่เหินเหิมตามอย่างหมอนออย่างนั้นเพราะความสุข มันมีเียงพอบอลลีบูรณ์ในตัวที่เราพิจรารณาธรรมะธรรมโมจิตใจของเรารงลงรวมสงบตีติเ อ, อิบอินปฏิสสธิลังะความปรุงปรุงต่างๆตลอดทังง้งเดชะนาภายในกายแขนั่งเวลานงนานขนาดไหนตายก็สงบละ ง, งับ ใจกว่าสงบดังนับสุขความเบาความสบายความปลอดโปร่งของจิตข อ, องใจควรจะไปจับความสุขส่วนนี้มีรสชาติติแปลแบบตกต่างอย่างไรจากความสุขที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ดึง เห็นอัทธำเป็นขึ้นจากตัวอย่างนั้นจะห้ามไม่ให้เชื่อมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะจิตใจของเขาู้เห็นอย่างนั้นเป็นตัดจัดตังในตัวของเขาให้เล่าไม่ต้องการความสุขไม่ว่าแต่มนุษย์แม่สัตว์มันก็ต้องการความสุขเหมือนกันเมอประสบพบเห็นความสุขแต่ไหนจึงจะไม่อยากได้ คนก็ต้องแยกได้ตัดอื่นมันก็ต้องการเพราะความสุขมีอยู่ที่ไหนต้องการด้วยกันทางนั้นฉะนั้นความสุขของใจผีตระพฤติปฏิบัติอาจทำเป็งเป็นความสุขกีนแนลแน่เป็นความสุขผี่ตายตัวเป็นความสุขผีไปเสดวิเศษยิ่งกว่าความสุขเรื่องหลอกในอย่างนั้นท่านผู้ผีเป็นกษัตริย์หรือเป็นเศรษฐี ขหาบอดีในสมัยก่อนมเมื่อเขามาบวชเพื่อปฏิบัติอัดธรมกูเห็นเป็นขึ้นจริงเลเด่งบายจาหว่าสุขหนอสุกเนาะอข้า ง, ท, งที่ไม่มีอะไรภายนอกที่จะทำให้ท่านสุกนอกจากใจของท่านสุไในอัดในธรรมเพราะท่ า, าทนอยูป่ป่าอยู่ร่มไม้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องยั่วยวนอน คีดขอดข้อที่จะให้สุขเกิดจาก it, อาณิเกิดจากรูปเสียงเรื่องราวต่งตางๆนอกจะากความสุขของใจที่ปล่อยวางเรื่องต่างๆได้ในนี้อะไรจะเป็นภัยอันตรายความสุขจากเข่าของเงินทองสุขจากด้านเ่องต่างๆหลังคว <c oughs> ามสุขภายนอกมีภัย ทัวไฟรับรไฟจะใหม่น้าจะท่วมจนจะกล่นหรือเขาจะรีบเอาจับจินเท่าของขันั้นตามคิดตุงของใจมันเป็นไทก็จิดจิดข้องอย่างไทยนอกส่วนสามสุขด้านภายในสุขจากใจเป็นสมาธิสุขจากใจมีปัญญาธรรมะสายแสงอย่างต่างต่างออกจากใจ ไมนมีไฟอันตรายนา้ำตัวถ่วงไม่ดักไฟก็ไม่ไม่ดักอยู่สถานที่ใดติดตัวไปไม่ต้องาหาฐานะใส่ผลไปมันอยู่กับใจเองสุขอันนี้เป็นความสุขที่นักปราชญ์่วไปสรรเสริญแตเป็นความสุขอันยิ่งยั่เราทุกคนที่ปตากนาความสุข เปนที่ที่มีภัยอันตรายต่อพึงต่อพิธปฏิบัติกายใจเครงตัวเข้าความสุขอยู่ในสถานที่นี้ในเรื่องของกายมันก่เป็นไป ต, ตามหน้าที่ของมันถ้าเราหลงมันต่เป็นทุกข์ขึ้นถ้าเรารู้ตามเรื่องของมันจากาที่ของมันจแจกแจงควนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไ ร, รก็รู้ ก่อสร้างทุกอย่างมันเป็นไปจิตใจของเราหวั่นไหวจิตหล่อ ง, งหรือไม่เราก่อสร้างจากการตัวเชือปฏิบัติอัดคำนี่เรายังไม่เกีย่ยวเลื่องนยังไม่ เ, ยเคยฝ <c oughs> ุดใจของตัวตราเลยไม่รู้ไม่พอใจกับความสุขของอัดคำมีาสามดีหรือเสีอย่างไรก็เลยสงสัยนักปรมัยหยาด ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติกายใจของตัวหมอดุลตัางแ่เรื่องของกิเลสเผาวันนั้นเผาวันนี้ไม่มีวันจะสุขจะสบายสิ่งส่งกิเลสสิงส่ัหาเดินทางนำใจให้เสาหมองนำใจให้เกิดทุกข์ ส่วนการละการถอนการพิจารณาย้อนกลับทำจิตวกเข้ามาสู่อัต ธ, ธรรมของพนุษย์ได้เจ้าให้อยู่ให้คิดให้ฟุงออกไปข้างนอกนั่นเป็นเรื่องที่ำํำระสะตางใจเองใจที่เศร้าหมองเมื่อถูกการํำระ หนื่ยน้ำที่สะอาคืออัธรรมของพระเจ้าแต่หน้าบานของใสความสขปรกของใจจะหมดไปใจจะมีความสว่างสวัยแล้วก็เกิดความสุขในจิตในใจอย่างแน่นอนุขอื่นจะเหมือนความสุขของใจมันไม่มีถ้ามันมีเรื่องสุขอื่น ดีเด่นวิเศษยิ่งกว่าการฝุกจิตสุกใจที่ประพฤติปฏิบัติตามอารมรทำแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ีทางจะตำหนิจะส่องชมยินดีแล้วไหมประพฤติปฏิบัติอาตมอันนี้พระพุทธองค์สมบูรณ์ูนสุขทุกอย่างทางโลกแย่วกว่า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 คิดว่าสัตว์ทั่วไปมีความแก่ความเจ็บควา ม, วามตายเป็นตัยจะหลบน้อนที่ไหนในมีในบาปเขาว่าเราทั้งที่อดีตผ่านมาเรื่ออนาคตจะมาถึงเป็นอยู่อย่างนั้นเพ้าะปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตอนาคตก็เป็นอย่างเดียวกันหากเราจะมาหลุ่มหลงเสืเอเชิญในเรื่องอามรมณ์ต่างๆ่าก็ไม่มีทาง ที่จะดูเห็นตามเป็นจริงในความถูกได้เพราะเรื่องเหล่านี้อยู่อายุจิตใจให้หลุมหลงคิดในทาไทยของพระองค์ที่เจริญนาหาทางอยู่สม่ำเสมอเห็นแบบซ้ำเกิดแก่เจ็บตายมีความหมาเกิดหมายแก่หมาเจ็บหมายตายคงมีเพราะมีมืดต้องมีสว่าง มีได้ต้องมีเมสียมีตา้งตายมีามห้ตายคงไม่ ม, มีแน่พระองค์คิดที่จะนาอย่างนี้เชื่อได้ตัดสิ้ใจออกไปบำเพ็ญเพียรในป่าถึงใจทุกอย่างลำบากด้วยอาหารการเสวยยึดที่ประคับที่บรรทมอย่างไรก็เห็นว่า สถานที่นั้นไม่มีอะไรจะมารบกวนให้จิตใจวุ่นวายในเหมือนอยู่ในเขตคารวาสในเหมือนอยู่ราศาสตร์ราศาวั์เป็นกษัตริย์คิดตกลงพระทัยอย่างนั้นจึงในเสด็จออกที่เนศสกลมคือออกบวดบวดก็อยู่ตามป่าตามเขาเขาเพื่อปฏิบัติที่นีี่จด้นา วิถีทางวันที่สุดตอนจะตัดสรู้บอกกาหนดกายของตัวเรื่องลมหายใจเข้าออกเขาคิดได้สมัยเป็นเด็กทรงเขย่าอยู่เคยไปนั่งตอนแรนกนะขวันมากอจิตได้สงบระงับคัจะเป็น อันนี้เองทางตัดสู้อะไรกำหนดผลที่สุดจิตใจของฉันก่นสงบร่างนับพอจิตสงบที่จะได้นาอะไรก็แจม่มแจ่งชัดเจนจนละอวิชชาถอนตัญหาอุปาทานต่างๆออกจากพราไทยตัดรู้อริยสัจแจ่งประจับขึ้น ในใจของพระองค์แต่กว่าพระองค์องค์เดียวรู้เห็นเป็นอย่างนั้นคนอื่นทั่วโลกยังไม่เคยเห็นกันความสุขความเจริญความดีความเด่นอย่างนี้แต่ว่าที่เจริญนาทำแม้สเรารู้เราเห็นยีเด่นอย่างนี้คนทั่วโลกเข้าใจรู้จะเห็นไหม เพราะทมที่เราเราเ้าใจเป็นทมที่ละเอียดอ่อนสุคุมมากก็ลเลยพ่อพระไทยไม่อยากประกาศศาสนาเห็นหว่าสัตว์โลกั่กไปยังมีความหลุมหลงอยู่ไหมไปและสอนก็คงจะยากจะลำบากทางาทุิลาราฐานถันจังหวะพยามามาอัญเชิญพระองค์ให แต่กมคิดขึ้นอีกว่าเราซึงไม่มีใครแนะนำจะเลยต่างหน้าต่างตาคนหาทิจนาทำไมเป็นไปได้คนอื่นทั่วโลกเขาจะเป็นผู้อาภาอาบวาสนาทั้งหมดหรือคงจะมีคนใดคนหนึ่งเหมือนเราแนะน จรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างเราแผ่นพิจารณาเกี่ยวกับดอกบัวทีเราคนที่มีอุนปนิสัยเป็นที่ปากพิญญาคือฟองแสดงธรรมะออกไปจิตใจของเขาก็จะได้รับอัดทำเข้าใจรูเห็นตามเป็นจริงขึ้นเหมือ น, นดอกบัวที่ฝนจากนะ้ำคอยรับแสงอาทิตย์ก็ถูกแสงอาทิตย์จะแยมบานออก คนประเทศนั้นก็ยังมีอยู่ไม่คิดได้ปะคนมันมีหลายประเทียอย่างนั้นองค์ท่นานซึ่งนี่จาณาสัด์เพราะพระพุทธเจ้าหเหมือนพวกเราธรรมดาถึงแม้ว่าที่เรียกตัญหาจะหมดออกจากใจเหมือนท่านแต่เท่าว่าญาณสำรู้อดีตอานาคตหรือญาณ ประจําปัจจุบันไม่เหมือนกันกับท่านเพราะท่านอยากรู้เห็นอะไรที่พิจาณได้แจ่มใสว่าใครจะสามารถรับธรรมจากเราได้แล้วเราจ ะ, สะแสดงธรรมอะไรคนเหล่านั้นจึงจะเข้าใจเห็นแจ้งพระองค์พิจาณาเข้าใจเหมือนหมอที่รู้จักสมุทรฐานของโลกว่าจะเอายาอะไรแก้ไขรคส่วนนั้นจึงจะหายขาดออกไป จากกายทองเขาพระพุทธเจากก้าควฉลาดอย่างนั้นแต่บางทพิจารณานำธรรมะไปสอนโลกเขาไปสอนเรียนเจะวะคีเรียงกันเดียวเท่านั้นคนทันยะคนรู้จักพิจารณาตามเห็นตามดดวงตาเห็นธรรมคือได้เป็นพระโสดาบันในกันแลกสี่แสดงธรรมจัก ความเห็นของคนทันยะที่รู้อัตธรรมพวกเราท่านก็เคยได้ศึกษาทางภาษาบาลีกันว่ายัางมีจิตสมุ ท, ทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติแต่แปลเป็นภาษาไทยท่านรู้ท่านเข้าใจในตัวของท่านว่าอะไรที่เกิดขึ้นอันนั้นจะมีการเสื่อมไปดับไป กางเข้าใจเป็นจริงอย่างนั้นมีละไรชื่อว่าเข้าใจทำเพราะพทธเจ้าจิตตกแต่แสคือถึงเข้าทางที่จะตั้งรู้พะเมื่อเห็นตามเป็นจริง่าอะไรเกิดขึ้นอันนั้นจะมีความแตกดับเห็นตามเป็นจริงในใจ แล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเส้นเพราะเห็นเป็นจริงอย่างนั้นกายมันเกิดขึ้นมันก็จะต้องแปรปวนและแตกสลายจิตก้มกันที่มันนึกคิดได้มันก็จะมีการหุ่มหลงได้เมื่อมันยังไม่ถึงที่สุดของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นการเสื่อมของจิตก็จะ ม, มีการ เสียใจการเจริญของจิตควรมีการดีใจหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติไปอย่างนั้นรักษาเรื่องของใจไม่ให้ลุ่มหลงหรือขัดข้องทางหน้า่างตาเราเพือปฏิบัติรักษาอย่างนั้นผลที่สุดนานวันไปพระพุทธเจ้ากคแสดงเรื่องอ น, นัตตารักสูตร ไอ้พวกปัญจวัคคีย์ฟังก็เดนสําเลสอนัตตาและพหณะสูต ร, รก็ไม่ใช่อืนอีก อ, อ, อยู่ในตัวของคนดูฟังอนัตตาอยู่เป็นอนัตตาว่าไม่ได้บอกไปฟังึงหน้าหนาอยาหนานะมึงมันกงไปฟังละหน้าร้อนอย่าร้อนมันกงไปฟัง บอกว่าให้มันแก่มันเจ็บนันก็แก่ก็เจ็บไปตามหน้าที่ของมันนิทานแบบเป็นอนัตตาใจจิตเห็นเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่ยึดมั่นยึอมั่นเพราะหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรจิตเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเภทนาสุทุกข์เหมือนกันเราแต่งเอาไม่ได้ถ้าเราแต่งเอาได้ก็มีโรงพยาบาลรักษาไข่ในตมิยา เนี่ยให้มันหวยมันไข่นะมันก็หายไปเองพอเราไม่ชอบนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามหนา้าจีบของมันเจริญนะขันทั้งห้าให้เห็นตามเป็นจริงลงไปใจเหมือเรื่องของขันทั้งห้างชัดเนจนประจับแล้วกาไม่ยึดจิดที่ไหนยึด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 จิตติดของหรือ ย, ยังในคนมันก็รู้จักคนไปมันก็รู้จักพระธรรมะเป็นของผู้ปฏิบัติแต่เห็นเองจิตใจคือวุ่นวายกังวลหรือจิตใจคี่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์เราเห็นเองแต่คนอื่นจะมาบอกให้มันดีมันช่วยอย่างไร ทนไม่แสดงออกมาภายนอกรู้จากตัวของตัวเองนี่คือคนต้องใช้ปฏิบัติทำมีสติไปจำตัวคนไม่มีสติไปจำตัวก็ไปทุกข์แง่ทุกข์ุมจิตใจทุกข์ก็ไปโดนราแล้วทั้งครู้จักว่าทุกข์ก็เหมือนกัน ่านประพฤติปฏิบัติของท่านจิดนึกคิดทั้งชั่วทางต่ำเป็นทางทำให้ได้รับความทุกข์ท่านดีเว้นให้ห่างไกลเหมือนดีให้อันตรายหรือทางที่มีโจรท่านไม่เดินท่านไม่ไปหากท้ามเรื่องใจของท่าน อาไว้ขันสอนใจของขันทุกอย่างใจของขันทีน่เคยปลอดภัยอยู่สถานที่ใดด้วยอํานาจจิตใจที่มีความสุขความสบายปลอดภัยไม่มีอะไรเข้าไปข้อควรขันจึงมีจึงมีความสุขอยู่ใตลมไม้กดบ่าสุกน่อสุกน่อน อ, อยู่ใต้เขาอยู่ ทำก็สุขน้อยสกขน้อพข้อใจของท่านสุขอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุขไปหมดคนทุกข์เราไม่เป็นอย่างนั้นสมบัติท่สถานจะเต็มบ้านเต็มส่องปวาตามถ้าใจทุกข์ไม่มีเลยความสุขใจร้อนเหมือนกันจะเข้าห้องแอร์แส่หนําแข็งกวร้อนอยู่นั้นนคนเราจึงสําคัญอยู่จี่ใจสุขใจของตัวให้มีความสุข ให้มีความสบายสาระตัวของตัวจะปล่อยไป ต, ตามเรื่องของมันนั่นก็เป็นไปอย่างนั้นให้มีเวลาใดที่จะมีความสุขความเจริญของใจอย่างเต็มที่จะไปเจ้ากันเคยฝึกอบรมและแนะสอนพวกเราผู้มุ่งความสุขอย่างนั้นพวกเราท่านกัเคยสดับรับฟัง ขอเพิ cook, ่มฝึกตัวของตัวในจิตมีเวลาพักผ่อนในจิตมีเวลาสงบอานี้มีเวลาพักผ่อนอย่าละสงบทําถุกที่ดีเด่นเป็นอย่างไรก็จะไม่เห็นให้ทีจะน่าอะไรก็จะไม่ถอดถอนหลงวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่มีวัน จะเบาจะสบายพอใจยึดใจถือใจแบกใจหามใจหอบใจหิวเรื่องของเลตัหาเรื่องของโลกของสงสารหากปล่อยวางได้เมื่อไรก็เบาสบายเราที่รนาาทางปล่อยวางใจมันมีความสุขความสบายมีความสว่างสว เราทำาไม่ได้มีใครจะทำให้ถึงจะอยากลําบากว่าชื่อว่าเป็นงานของเราแต่ชื่อแต่มันอยากมันลาบากไม่อยากทําคนอื่นก็จะดูเหมิม่นเย็นาว่าเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นหน้าขี้ของเขาเราไปห้ามกันไม่ได้เขาจะฉันเลสิร์มเซยวะเรา ดีเราเด่นพอเหมือนกันถ้าเราไม่ดีไม่เด่นพอยังคงเส้นคงวาอยู่นั้นเยี่ยงทางนอกเรื่องทางนอกอย่าไปคิดสุดจิตของตัวให้อยู่ในอาดในธรรมเป็นพออย่างไรเราจะเตินไปเผื่อความถอดถอนอย่างไรเราจะเตินไปเผื่อความหลุดพ้นจากความผิดข้องท้องโลกพิจารณาลงไปนั้น ทำผิดข้อเสานมองของใจหาถูกสำลักแก้ไขมันก็ปล่อยหมดไปเบาสบายปล่อยเอาไว้ทั้งสวนน้าวันผิต่นาเนี่ยผ้ดไปแต่เห็นที่เจนนะตามเพียทั้งสี่ีเพียนตั้งวันลวันทั้ตาหูจมูกกรีตายใจทั้งตนมาเห้ยินดียินร้ายในเมื่อเห็นโ้ จะได้ยินเสียงเป็นต้นเพราะการยินดีจะทําให้เกิดความหึงหวงสุดยินร้ายจะทําให้จิตใจเดือดร้อนวุ่นวายสุดถ้าเรารักษาจิตใจมันจะไปเกี่ยวกับความยินดียินร้ายคือรักทั่งจิตใจของเราตั้งอยู่ได้ทางกลางเราก็สมายถ้าเราไม่สบาย เพราะจิใจของเราไปติดข้อเพราะแม้ังวรละวันเห็นสิ่งที่สวยงามกนึกอยากได้จิตอกจิตใจเห็นสิ่งที่ไม่ไม่ชอบเอาอีกดีร้อนวุ่นวายไม่สบายใจนี่คือการไม่ต้องวานละวันการทังวรละวันที่จะหายใจไม่ห้ไปยึดมั่นพือมั่นในคิ ได้ในจิตทางส่วนนั้นจะต้องอาศัยปัญญาที่จะรายนานาซิงเหล่านั้นต่ก่อนที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นนั่นก็มีอยู่อย่างนั้นแล้เราเรารู้มาเห็นมันทำไมจิตใจถึงไปติดข้องพยายามแนะสอนแกะไขแล้วจิตแล้วจิตแล้วของแต่แต่อของจะคงเป็นคงว่า ในวันไดวันหนึ่งมันกเปลี่ยนแปลงแตกลายไปตามหน้าที่ของมันี่เจนะมเข้าใจคัดเกนอย่างนั้นระวังสังวรอยู่ทุกวันทุกเวลากายจมูกทายใจเป็นเต่ออารมณ์สัญญาต่างๆขอม่ทับผมตัวเราไม่รักษา ระวังสังวรทำชั่วก็ไหลท้าง่ายเหมือนเราเปิดประตูเอา ไ, อไว้จนมันก็เข้าง่ายของดีมีขาในบ้านมีเท่าไรมัก่ก็กวาดเอาไปหมดมนี่อกันรักษาประตูตาหูจมูกล่้นกายใจจิป็นกันแล้ววางสังวร อ, อันหนึ่งเพงจะทำตามปลอดภัยใส่ใจ ได้รับความสุขความสบายหังวรับประทานหรือระวังรักษาไม่ให้เกลียตัณหาตัวไหลโตมาในกายในใจท้องตนประหารประทานอีกใจอี่เคยวุ่นวายเดือดร้อนโหลกโกรนหลงอยู่ภายในใส่คิดแก่เรื่องโลกเรื่องนอก มีอยู่ในใจในใจเขามาจากที่อื่นใส่สัละสาสางพิจะะารณาละวางปล่อยทิ่งอย่าไปยึดเอาไว้ชื้อเอาไว้เพราะมันจะเป็นที่เป็นไทยกรโกรธหลงม่ใช่ทางดีมีหมาดเท่าไรก็ยิ่งจะทําใจของคนนั้นไปรับซ้ำทุกอย่างลำบากหากไม่มีส่วนนี้ ทำละสาถางมันหนีมันเห็นมีในใจความเบาความสบายมันจะต้องเกิดขึ้นเหมือนเรากําจัดความมืดด้วยไปจีบดวงไฟความมืดก่หายไปเราไม่ตามไฟสื่นความมืดมันก่อนเข้ามาทับผมความมืดค้ายนอกก่อมัเป็นที่้องการ ขาคนทั่วไปขอไปสถานที่ใดชะมืด้วกลัวจะงงจะหมจะอยู่จะจิ้นชะมืดทั้งก็าลำบากไ่เห็นอะไรเป็นอะไรให้ใจเราหมืดเหมือนกันเราต้องตามไปคือเอาธรรมะธรรมโปชิโปเป็นปชีต่องจิตใจของเราอยู่ทุกวันทุกเวลา รักษาความชั่วภายนอกไว้เข้ามาทำความชั่วอยู่ในกายวาจาและน้ำใจกว่าแจกไขไปใจก็ด้รับความสว่างสวัยภาวนาประทานคือการผลิดที่จะได้นาความดีให้เกิดมีขึ้นกายของเรามันยสกหายในดีส่วนใดเป็นกายสุจริตหรือทุจริต ที่เจรนาหากวันมีทางเสียหายก็ส่ง e รักษาสางมันไปหากวันมีดีอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้ราจ่าของเราก็เหมือนกันตถึงนาใจไปคิดใช่คิดถูกมีชั่วต่างๆเรียกว่ากุศลอกุศลบาปบุญงควรออกไปจงจควรรักษาเอาไว้ให้เจริญ อย่างความดีพยายามกว่าปวยให้เกิดมีขึ้นเมื่อเราทุกคนสําระสสารล้างคําชั่วออกจากกายวาจาใจพยายามเก็บความดีเอาไว้ทุกสิ่ทุกส่วนความดีที่เราตัดเตาออกไปเป็นทางดีเสียความดีจะต้อง เอามาไวในใจในใจของเราวันนั้นนิดวันนี้หน่อยแต่อาศัยเราสร้งางสร้างคํามชั่วสร้างความดีขึ้นทุกวันทุกเวลาถึงแม้ว่าความดีจะไม่ได้มากกอพยายามเก็บหอมความริษไม่ประมาทในความดีของตัวเหมือนตลวกติตมันสร้างที่อยู่ที่อาศัยของมันมันขาบมาที่นิดที่หน่อยเท่านั้น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 เราสำลับไปก็เหมือนกันจีเคยคิดจิตห่องต่างๆเหมือนที่เจอนะอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าสะสางทุกวันทุกเวลาความชั่วก็หมดออกไปความดีจิตกอบโกยบำเพ็ญ็น้าบันทวีคูณขึ้นเพรารักษาเอาไว้ตอนดียังไม่มีกว่าหามาให้เกิดให้มีขึ้นคือเรายังไม่รู้ไม่เห็นยังจิตห่องยังไม่เป็น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 จากใจของคนไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่เป็นผู้ดีวิเศษเป็นอริยะได้ถ้าหากชำระไม่ออกต่างดีเลยเพียงพอนี่ท่านชำระออกจากกายมาจาใจของท่านก่อนท่านก็เป็นผู้ตุชนคนหนาเหมือนพวกเราไม่ใช่ว่าท่านดีวิเศษแต่วันท่านเกิด อ, อาศัยมา สำลักสาสางมาที่นี่พี่เจริญนะอัดทำจิตใจทองทันดสว่างสวัยจิตใจองทนจิายจากผทุกชนเป็นอริยภาพระกอบใจนับประบนยหม้อายุมามอมันนั่งอยู่มันนั่งอนต้มอายุจเข้ามันไม่้ลักเขามันเดิ เขาจะม่กล้าไม่กล้ยกบ้านใหม่มต่อไป